พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่29มกราคม2555มีชื่อเรื่องว่ารำลึกหนึ่งปีองค์หลวงตาละสังขารเมื่อปี2000 554เมื่อปีที่แล้ววันใ้พวกเราอยู่วัดป่าบ้านตาดรู้สึกว่าใจจดใจจอวิตกกังวลอง์หลวงตาอาการอาภาษตป่วยหนักทางคณะสิทธยาลุสิทธิ์มากคน นานาจิตต่างนานาทัศน์จะรักษาอย่างไงองหลวงตาจึงจะหายจึงจะดีขึ้นก็รู้สึกว่าหลวงตาอาการหนักเท่าไหรสิทธยาฤทธิ์ทั้งหลายก็รู้สึกว่ามีความวิตกกังวลกันทั่วนหน้าพูดอย่างนั้นไม่น่าผิดทั้งอยู่ใกล้ทั้งอยู่ไกล ทั้งผูอยู่ไกลก็คอยฟังพวกอยู่ใกล้ก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงในขณะที่องค์หลวงตากำลังเพียบก็ผลที่สุดก็วันที่สามสิบคือวันพรุ่งนี้เวลาตีสามหลวงตาก็ได้ละสังขารโดยอาการสงบออลุกสิ์ลุกหาทุกคนก็ เงียบงเงันปงตกถ้าจะว่ายาการก็ไม่รู้จะว่ายยังไงคือว่าปงตกปงอนิจังทุกขังอนัตตาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราได้สอนมาว่าหลังกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงประพุทธเจ้าพระอรหันตสาวก ท่านโคดเนแนะนำสั่งสอนมาโดยตลอดในตำรับตำราในพระไตรปิฎกจากนั้นพ่อแม่ครูบายอาจารย์ของพวกเราองค์หลวงตาท่านก็สอนเน้นเน้นย้ำอีกว่าอย่าให้พวกเราตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายจากตายก็นี่หะหายไปเลยจากเป็นก็ อีกสักวันหนึ่งก็จะไอโผเข้ามาเห็นกันอีกนั้นคือจากเป็นส่วนจากตายนี่ก็แปลว่าหายถ้าว่าท่านผู้จิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นท่านเ้าจุตินิพพานแต่องหลงตาท่านรับรองรับประกันของท่านเองท่านบอกว่าเมื่อเราตายไปแล้วผ่านไปแล้ว ไม่ต้องสวดมาติกาบางสกุลไม่ต้องสวดมาติกาไม่ต้องสวดอภิธรรมอะไรทั้งหมดเพราะเราสวดให้เราแล้วขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะสวดให้เราเองพวกท่านทั้งหลายเมื่อเราตายไปแล้วไม่ต้องสวดให้เราหรอกลักษณะอย่างนั้นเพื่อๆยังจะดูถูกอีกว่าพวกกิเลส หยาบยากิเลสมากๆานะี่ยไม่ควรจะมาสวดให้เราหรอกท่านยังไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นแต่ดูรูปลักษณะนั้นเหมือนกับท่านม อ, มองมองลักษณะอย่างนั้นอันนี้ท่านบอกว่าท่านพอตัวของท่านแล้วไม่จําเป็นจะต้องมาสวดวัอภิธรรมมติกาให้เราแต่คณะสิษย์ญาติศิษย์ก็ เมื่อท่านสั่งเสียอย่างนั้นแล้วพวกเราก็หยุดกไม่ได้สวดเพียงแต่จัดเป็นบังสกุลหรือว่าสวดเป็นบังสกุลคล้ายๆกับว่าให้คณะจัตตาญาโยมทุกหมู่เหล่าได้มาร่วมกันทําบุญเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาตอนหลวงตาท่านก็ได้สั่งเสียเอาไว้ว่าพี่น้องประชาชนจัตตาญาโยม มาทำบุญกับสรีระของเรามาทำบุญกับงานศพของเราอันนี้คือเป็นประเพณีอยู่แล้วพุทธบริษัทสเมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่รักเคารพกราบไหว้สักการะบูชาของพวกเราได้จากไปพวกเราก็มีดอกไม้ทูบเทียนเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็มีจตุปัจจัยจะได้ใช้ใจ ในงานศรีระขององค์ท่านอย่างไรอันนี้สิทธิญาณุสิทธิทั้งหลายก็ต้องได้ช่วยกันคิดเพราะนั้นท่านจะได้สั่งเสียเอาไว้ว่าเมื่อเราจากไปแล้วผ่านไปแล้วจะตุปจัจจัยที่นำมาถวายในงานศรีระของเราหรือ ง, งานศพของเรา เ, เงินทุกบาททุกสตางค์ ให้นำเข้าคังหลวงทั้งหมดให้ไปซื้อทองคำแล้วก็หลอมเป็นทองคำแท่งเอาเข้าเป็นคังหลวงเพื่อให้เป็นเงินประกันหรือว่าเป็นเงินสํารองเพื่อให้ธ่านับัต่นาบัตบตเงินองเรามีคุณค่าเพราะว่ามีทองคำค้ำประกันอันนีลงตาท่านคิดไกลถึงขนาดนั้น จากนั้นพวกเราก็ได้จัดให้มีการบังสกุลอย่างที่องค์หลวงตาที่ท่านสั่งเอาไว้ก็คือสั่งปัจจัยจากนั้นสตาญาตโยมทุกหมู่เหลาก็ได้มาทำบุญก็ได้เสียสละจตุปัจจัยเพื่อทำบุญถวายองค์หลวงตาคือบังสกุลเราก็ได้รวบรวมจตุปัจจัยเหล่านั้นเอาเข้าเมื่องานศพ หลิละกอกลวงตาจบลงแล้วพระราชทานเพลิงจบลงไปแล้วเงินทราบว่าได้ถึงเจ็ดร้อยกว่าล้านนะพอรวมนั่นรวมนี้รวมนี้รวมนั้นเข้าไปแล้วทั้งทองคำทั้งเงินรวมแล้วเป็นเงินเจ็ดร้อยกว่าล้านนี่แหละอันนี้ก็คือเอาเข้าขังหลวงทั้งหมด อันนี้ก็คือจะตุปใ จ, จที่องค์หลวงตาที่ท่านมอบให้ครั้งจุดท้ายหรือชิ้นจุดท้ายให้แก่โลกให้แก่ประเทศชาตินะหลวงตามีน้ําใจหลวงตามีเมตตาหลวงตามีธรรมในจิตใจเมื่อท่านยังสรงธาตุขันอยู่ท่านก็มีแต่ให้ธรรมะอบรมสัง่งสอนพี่น้องประชาชนอทุกหมู่ทุกเหล่า พวกเราฟังดูในเอ3สของท่านเรียกว่าธรรมเทศนาของท่านล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะที่นำพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญทั้งนั้นหลงตาไม่แนะนำให้ไปในทางจิบหายมีแต่แนะนำให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราอยู่ในสถานะไหนสถานะของพ่อของแม่เราก็ทำดีที่สุด ในฐานะพ่อแม่ควรทำตนอย่างไรอยากจะให้ลูกหลานของเราดีเราก็ต้องทำดีให้ลูกหลานของเราดูครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันอย่างหลวงพ่ออยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาดีก็ต้องทำดีให้ลูกศิษย์ลูกหาดูเถ้าเป็นตัวอย่างเราอยู่ในสถานะไหนเราก็ควรทำดีในสถานะนั้นๆ หลวงตากคยแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายบัดนี้หลวงตาได้ผ่านไปแล้วมีิตรอธิธาต์หรือเป็นกระดูกของท่านเรียกแต่มิตรธรรมคำสอนของท่านยังกล้องอยู่ในจิตใจของพวกเราเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเรานำธรรมคำสอนขององค์หลวงตานำมาประพฤติปฏิบัติพวกเราจะประสบแต่ความสุข ความเย็นใจตลอดไปแล้วก็พร้อมกันวันนี้เป็นวันที่29วันพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบวันพระธาชทานเพิงทงางญาติโยมของพวกเราก็ได้พร้อมกันที่จะไปตั้งโรงทานวันนี้เปิดถวายประตานบูชาพระคุณองค์หลวงตาคณนว่าเป็น บุญเป็นกุศลพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายเพราะหลวงตาไม่ใช่พระธรรมดาถ้าอย่างยุคนี้สมัยนี้ตัวของท่านเองท่านก็รับรองว่าท่านเป็นพระหันแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายที่มองดูแล้วก็ใช่หลวงตานี่เป็นพระหันในความรู้สึกของศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย แล้วก็พร้อมการอธิษฐานของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้แก่พวกเราได้เห็นอีกเพราะนั้นการที่จะไปทำบุญกับองค์หลวตาขอให้ทำใจให้มั่นคงทำใจให้แน่วแน่ทำใจให้หลึกซึ้งทำใจให้กว้างขวางทำใจให้เยือกเย็นทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลขณะที่ไปทำ เมื่อเราลองรับดีแล้วบุญกุศลจากบารมีของลวมตาก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตใจของผู้กระทำํำแต่พวกทราทำไปด้วยอารมณ์ขุ่นเคืองอารมณ์โมโหโกรธาอารมณ์ไม่แจ่มใสเหมือนกับปิดประตูปิดประตูใจบุญกุศลก็ไหลทะลั์เข้ามาหาใจยากเพราะเลยเราปิดประตูไว้แล้ว เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆท่านไปทำคุณงามความดีนัตถานที่ใดก็ขอให้พวกเราตั้งใจตั้งจิตตั้งใจให้ดีในการสร้างบุญสร้างกุศลอย่าไปด้วยอารมโมโหโกธาอิจฉาพยาบาทอาคาตจองเวนกันไม่ดีทั้งนั้นใครจะเป็นยังไงก็ช่างเขาแต่เราต้องเป็นคนดีนี่ละ อันนี้ก็คือการไปทาบุญแล้วก็วันพุ่งนี้หลวงพ่อเองก็คงจะออกแต่เช้ามืดเขาคงจะไปร่วมงานรับบินทับาทแล้วก็ไปดูว่าการงานของโลงตาเป็นยังไงนะเคคิดว่าพกเคยอยู่วัดป่าบ้านตาท่านก็เคยชำริชนานาญในการดูแลงานมาแล้วนะก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะหลวงพ่อเองก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเท่าไหร่ในการจัดงานในครั้งนี้ก็ปล่อยให้เป็นฝ่ายทางครูบาอาจารย์น้องนุ่งทั้งหลายเป็นผู้ดูแลจัดการเพราะคณะนักทัา ญ, ญาติโยมก็ดูกระองค์หลวงตา ม, มาเกิดคิดว่าไม่นามีปัญหาเพราะคณะนักทัา ญ, ญาติโยมทางจังหวัดก็อยู่ใกล้จังหวัดอุดรอีกต่างหา แต่คิดไม่น่าจะขาดตกบกพร่องแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็คงจะบินเท่าบาทแล้วก็คงจะมีการสวดมนต์เพราะมีงานสองงานพร้อมกันนะงานประทายเข้าเปรือกประจำปีของของชาวบ้านแล้วก็พร้อมกันก็เป็นงานวันมรณภาพของหลวงตาเขาก็เลยเอามาใส่วันเดียวกันเพื่อจะให้งานมันย่นย่อเข้า อันนี้ก็คือจุดแท้แต่ทางวัดป่าบ้านตัเพราะเป็นเจ้าของบ้านท่านจะจัดยังไงจู่ข้างนอกเรายอมรับไายทั้งนั้นขอํำคัญข็ให้เป็นคนดีให้เป็นจัดงานที่ดีให้มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันจบแต่ว่าเรื่องเจดีของหลวงตานั่นหลวงพ่อก็เคยย้าอยู่เสมอจดีของหลวงตาในสร้างแน่ แต่ไม่รู้ว่าจะลงมือเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้กำลังเขียนแบบแปลนอยู่อีกสักวันหนึ่งเขาคงจะจบแล้วก็คงจะดำเนินการได้ก็ต้องฟังหลายๆเสีย ง, ยงเพราะลูกศิตลูกหาองคหลวงตามีมากเราจะเขียนลักษณะอย่างไรผู้เขียนก็หาข้อมูลพอสมควรในการที่จะเขียนแบบแปลนของกีดีของของหลวงตาหรือ พ, พิพิธภัณฑ์ขององหลวงตา แต่หลวงพ่อก็เด่แนะนําคณะครูบาอาจารย์ต่างหมหาวิทยาลัยศิลปากรบอกว่าก่อนที่จะเขียนเรือว่าจะสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยหรือจะสร้างเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยน่าจะอ่านประวัติของหลวงตาก่อนคือจุดน้ําบนใบบัวแล้วก็ประวัติ ของหลวงปู่มั่นแล้วก็ปฏิปทาพาทุดงกรรมฐานแล้วก็นังสือในงานศรีละของหลวงตาถ้าอ่านสี่เล่มนี้แล้วเขียนประวัติหลวงตาหรือสร้างจีดีหลวงตาหรือทำาป็นพิพิธภัณฑ์หลวงตาได้หลวงพ่อแนะนาเพราะว่านังสือสี่เล่มนี้เป็นนังสือที่ประวัติของหลวงปู่มั่นหลวงตาเป็นคนเขียนเอง ปฏิปทาพระตุโรงกรรมฐานหลวงตาเขียนเองส่วนประวัติดดน้ำบนใบบัวเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาลูกรวมกันปฏิตรประต่อได้ฟังตรงนั้นไปฟังตรงนี้จะมาปฏิติประตอกันให้เป็นเล่มขึ้นมาก็จริงแล้วอ่านดูแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เขาเขียนออกมาดดน้าบนใบบัวนี่รู้สึก เป็นปฏิปทาขององค์หลวงตานะแล้วก็หนังสือเล่มใหญ่เป็นอันนั้นเป็นที่วงกว้างเลยหลายอย่างก็มารวมกันหนังสือเล่มสุดท้ายเนี่ยอันนี้แปลว่าแกงหม้อใหญ่ฮถ้าเราได้อ่านได้ศึกษาแล้วก็เนี่ยจะรู้แนวทางปฏิปทาของพ่อแม่กูบาลการองค์หลวงตานะวันนี้ก็ ได้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงพวกที่ไปตำครัวนะไปทําครัวไปตั้งโรงทาน่ช่วยๆกันเนื้อหลกหลานทุกคนนะเเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราทัาทั้งหลายรับพนะรและมตนาให้ปอ